วันนี้เป็นวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดให้พุทธศ า, าสนิกชนได้หยุดภารกิจการทํางานเพื่อที่จะได้มาวัดมาสร้างความสุขทางใจด้วยการทําบุญทําทานมาชำระกายวาจาใจให้สะอาดด้วยการรักษาศีล ด้วยการภาวนาพราะนี่เป็นวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นทำให้เรามีความทุกข์น้อยลงไปและหมดไปในที่สุดเป็นวิธีเดียวเท่านั้นวิธีอื่นไม่สามารถที่จะกาจัดความทุกข์ให้น้อยลงไปและหมดไปได้ มีแต่จะทำให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆวิธีที่เราดับความทุกข์กันวิธีที่เราหาความสุขกันเป็นวิธีที่จะเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้นก็คือวิธีหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสทางตาหูจมูกเล่นกายวิธีหาเงินหาทองให้มีมากขึ้น เราอาจจะคิดว่าเรามีความสุขมากขึ้นจากการมีเงินมีทองมากขึ้นแต่เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวความสุขตอนที่เราหาเงินหาทองได้มาแต่พอเราเอาเงินทองที่เราหามาไปซื้อไปใช้เดี๋ยวเงินทองมันก็หมดได้พอหมดแล้วเราก็จะเดือดร้อนเราก็ต้องหาใหม่ เวลาหาก็ทุกข์เพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายต้องทำงานทาการทำอะไรต่างๆกว่าจะได้เงินทองมาอันนี้เป็นการหาความสุขที่มีความทุกข์ตามมาความทุกข์ไม่มีวันหมดด้วยการหาความสุขแบบนี้ การดับความทุกข์ด้วยการไปเที่ยวไปหาไปเสพรูปเสียงกลียนรสต่างๆไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปดื่มไปรับประทานไปซื้อสิ่งที่เราอยากได้มันก็ดับความทุกข์ได้ชั่วคราวเวเราได้ทําสิ่งเหล่านี้เราก็มีความสุข พอเราไม่ได้ทำใจเราก็จะทุกข์อยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วรู้สึกเอิดอัดเศ้าซ้อยหงอยเหงาว้าเหวต้องไปทาแต่ทาไปสักวันหนึ่งก็จะต้องทาไม่ได้เพราะร่างกายที่เราใช้ให้มันทำให้เราไปหาความสุขไปดับความทุกข์มันก็จะไม่ทำไม่ไหว เวลาร่างกายแก่ก็จะไม่สามารถทำได้มีคนอายุร้อยหนึ่งอยากจะข่าตัวตายเพราะร่างกายมันแก่ไม่สามารถทำอะไรเหมือนคนหนุ่มคนสาวได้ไม่สามารถดับความทุกข์ไม่สามารถหาความสุขจากการกระทาทางตาหูจมูกนิ้นกายได้ก็มีแต่ความทุกข์ จนทนไม่ไหวอยากจะหนีความทุกนี้ไปด้วยการฆ่าตัวตายแต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพราะความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือที่เราใช้ในการหาความสุขดับความทุกข์ชั่วคราวกันตัวที่เป็นปัญหาก็คือ ตัวความอยากอยากทีห่หาความสุขผ่านทางร่างกายฆ่าร่างกายก็ไม่ได้มาค่าตัวความอยากตัวความอยากนี้ก็ยังอยู่มันก็จะพาให้เราพอร่างกายนี้ตายไปมันก็จะพาให้เราไปรับผลบาปที่เกิดจากการค่าตัวตายก่อนแล้วพอเราใช้บาปหมดแล้วเราถึงจะเราก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ พาเรายังอยากมียังอยากใช้ตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขเราก็จะกลับมาเกิดใหม่ได้ร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายใหม่ก็ต้องมาทุก์กับร่างกายอันใหม่ต้องคอยเลี้ยงดูร่างกายอันใหม่ให้มันจเจริญเติบโตพอจเจริญเติบโตก็ใช้มันหาความสุขดับความทุกข์ชั่วคราวหม่ ไปจนถึงเวลาที่มันแก่หรือมันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถหาความสุขดับความทุกข์ชั่วคราวได้ก็จะคิดฆ่าตัวตายใหม่นี่ถึงไม่ใช่เป็นวิธีที่เราควรที่จะหาความสุขหรือดับความทุกข์กันวิธีที่พระเจ้าส่งค้นพบที่จะทำให้เรา หาความสุขและดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงก็คือวิธีที่พระเจ้าสอนให้เรามาทำกันในวันพระเนี่ยให้เรามาทำบุญให้เราเสียสละแทนที่จะเอาเงินที่เรามีอยู่นี้ไปซื้อสิ่งต่ตางๆไปเที่ยวไปกินไปเดิมซึ่งเป็นการดับความทุกข์ชั่วคราวซื้อความสุขได้ชั่วคราวมา ซื้อความสุขที่ยั่งยืนและไม่มีความทุกข์ตามดับความทุกข์ได้คืยการทําบุญเวลาเราไม่สบายใจเราทําบุญใจเราจะสบายใจเราจะรู้สึกอิ่มสบายอกสบายใจแล้วจะทําให้เราไม่ต้องใช้เงินไปทําอะไรตามความอยากต่างๆความอยาก ที่จะใช้เงินดับความทุกขด้วยการซื้อของไม่จำเป็นด้วยการไปเที่ยวไปกินไปดื่มนี่มันก็จะลดน้อยลงไปต่อไปเราอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่เหงาไม่รู้สึกหงุหงิดไม่รู้สึกว่าเวถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่มีเงินทำบุญเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะความอยากทำบุญมันไม่มันจะไม่มาทำให้เราทุกข์ เมื่อไม่มีเงินทำบุญเราก็ไม่ต้องทำแต่ความอยากเที่ยวนี้มันทำให้เราเดือดร้อนเวลาที่เราไม่มีเงินเที่ยวกันเวลาที่ไม่มีเงินใช้มันจะทำให้เราเดือดร้อนอพรนเราต้องเปลี่ยนวิธีใช้เงินที่จะทำให้เราไม่เดือดร้อนท ำ, ทำให้เรามีความสุขก็ใช้เงินด้วยการทำบุญทำบุญแล้วใจจะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอ ความอยากได้นู่นได้นี่มันจะไม่มีแต่ถ้าเอาเงินไปใช้ตามความอยากได้นู่นได้นี่มันก็จะอยากไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเกิดปัญหาเพราะเงินมันจะไม่พอใช้พอไม่พอใช้ก็เดือดร้อนต้องไปหาเงินใหม่แล้วถ้าหาไม่ได้ก็อาจจะต้องไปทำบาปเพื่อที่จะได้เงินมาง่ายๆ มากมากเร็วๆก็ทำบาปมันจะได้ง่ายกว่าได้มากกว่าได้เร็วกว่าถ้าทาไม่ทำบาปก็ช้าทำงานวันละสามร้อยขั้นแรงขั้นต่ำถ้าไปลักไปขโมยก็จะได้สามหื่นสามแสนอันนี้มันก็เลยทำให้คนทำบาปกัน พอทำบาปมันก็เลยยิ่งทำให้เกิดความทุกข์มากขึ้นอีกเพราะผลจากการทำบาปจะทำให้ใจทุกข์ใจวุ่นวายใจเดือดร้อนใจวิตกกังวลหวาดกลัวแล้ว ถ, ถ้าถูกจับไปลงโทษก็จะยิ่งวุ่นวายขึ้นไปใ ย, ยิ่งเดือดร้อนขึ้นไปใหญ่แต่ถ้าเราเอาเงินมาทำบุญนี้เงินจะพอใช้อยู่เรื่อยๆ เ, เพราะ เราจะไม่ไปซื้อของตามความอยากต่างๆเวลาอยากได้อะไรเราก็เอาเงินไปทำบุญแทนต่อไปความอยากได้นูน่นได้นี่อยากใช้เงินซื้อความสุขต่างๆก็จะหายไปพอไม่มีความอยากเราก็ไม่มีความทุกข์พอไม่มีความทุกข์เราอยู่เฉยๆเราก็มีความสุขไม่ต้องไปเที่ยวก็มีความสุขได้ ไม่ต้องทาอะไรบุญไม่ต้องทำก็ได้ถ้าไม่มีเงินจะทาบุญตัวที่ทำให้เราทุกตัวที่ทำให้เราไม่สุขก็คือตัวความอยากความอยากอยา ก, อยากได้นู่นอยากได้นี่อยาก ซ, ซื้อนั่นซื้อนี่อยากดูนั่นฟังนี่ถ้าลองทำตามความอยากแล้วมันจะไม่มีวันจบมันจะมีแต่เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือวิธีที่จะทำให้เราลดความทุกข์ แล้ททาให้เรามีความสุขคือเอาเงินที่เราจะเอาไปใช้ตามความอยากต่างๆนี้มาทําบุญแทนทําบุญกับใครก็ได้ถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องทําบุญกับวัดกับศาสนาก่อนเพราะเราเห็นคุณค่าของศาสนาว่ามีคุณค่าที่จะมาก สอนเราให้เรารู้จักวิธีหาความสุขดับความทุกข์อย่างแท้จริงเราก็ต้องส น, นับสนุนศาสนาให้ศาสนาอยู่ยั่งยืนเพื่อจะได้เป็นผู้เป็นที่พึ่งของเราคอยสอนเราคอยเตือนเราคอยบอกเราให้รู้จักวิธีดับความทุกข์อย่างแท้จริงให้รู้จักวิธีหาความสุขอย่างแท้จริงเราก็ จะไปทําบุญที่วัดกันะไปสนับสนุนพระสงฆ์องค์เจ้าที่อยู่ในวัดเพื่อให้ท่านได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนสําเร็จการปฏิบัติท่านก็จะได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นวิธีดับความทุกข์อย่างแท้จริงว่าดับอย่างไรเห็นวิธีสร้างความสุขอย่างแท้จริงว่าสร้างอย่างไรแล้วท่านก็จะมาสอนเรานี่เกิ ทำไมเราต้องทำบุญกับวัดก่อนเพอวัดนี้เป็นที่พึ่งของเราแต่ถ้าวัดพอเพียงแล้วหรือเฟือแล้วเราจะแบ่งไปทำที่อื่นที่เขาเดือดร้อนก็ได้าญาติอย่ไม่ไปบางทีวัดต้องไปแทนก็มีกูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าบางรูปที่ท่านมีญาติอยู่มาทำบุญกับท่านมากๆท่านก็เอ มีมากเกินไปเหลือกินเหลือใช้ท่านก็เอาไปช่วยที่เขาเดือดร้อนกันไปช่วยตามโรงพยาบาลตามโรงเรียนสถานที่คนเจลาคนพิการอะไรต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือพระสงฆ์ท่านก็ทำบุญแต่ท่านทำต่างกับเราทำคือท่านไม่ได้ไป ท่านทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ถ้ามีก็ทำถ้าไม่มีก็ไม่ทำท่านไม่ท่านจะไม่ไปเรียรายไปหาเงินหาทองเพื่อมาทำบุญเพราะนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพระหน้าที่ของพระก็คือมาศึกษาวิธีดับความทุกข์สร้างความสุขที่ถาวรว่าทำอย่างไรแล้วพอรู้จากวิธีแล้วก็เอาไปปฏิบัติไปทดลองดูว่าใช้ได้หรือไม่ พอปฏิบัติแล้วก็จะเห็นผลก็รู้ว่าจะใช้ได้พอรู้แล้วทีนี้ก็มาสอนคนที่ไม่รู้คือญาติโยมญาติโยมไม่มีเวลาที่จะศึกษาปฏิบัติเหมือนกับพระเพราะต้องหมู่แต่ไปทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจะมีเวลาเวลาว่างก็วันพระหรือวันหยุดการทํางานก็จะได้มีโอกาสมาวัดเพื่อจะได้มาฟังเทศฟังธรรม มาศึกษาวิธีที่จะสร้างความสุขดับความทุกข์ที่แท้จริงว่าทำอย่างไรถ้าไม่มีพระมาศึกษามาปฏิบัติมาพิสูจน์จนรู้อย่างแน่ชัดว่าวิธีสร้างความสุขดับความทุกข์ที่แท้จริงนั้นทาอย่างไรก็จะไม่มีใครสอนเราแต่พอมีพระที่ท่านได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนได้พิสูจน์เห็นวิธีของการดับความทุกข์ สร้างความสุขที่แท้จริงว่าทำอย่างไรแล้วท่านก็จะมาสอนพวกเราได้พอท่านสอนพวกเราเราก็นำออกไปปฏิบัติกันเราก็จะได้เห็นผลจากการกระทำตามคำสอนอันนี้ก็เป็นการมาทำบุญที่วัดพระก็มีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติพอได้เห็นผลจากการปฏิบัติเราก็มาสอนญาติโยม ญาตยมศรัทธาก็ถวายเงินทองทําบุญกับท่านท่านไม่มีความจําเป็นต้องใช้เงินทองท่านก็เอาไปช่วยเหลือที่เขาเดือดร้อนไปช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนช่วยสถานที่คนเจลาคนพิการหรือที่ไหนที่ขาดที่ขาดขาดแคลนที่ต้องการความช่วยเหลือพอช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันไปน นี่คือเรื่องของการทำบุญการทำบุญ ก, ก็การช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆความสุขได้จากการไปเที่ยวซื้อของฟุ่มเฟือยนี้มันสุขเดียวเดียวเหมือนควันไฟเวลาไปเที่ยวเวลาได้ซื้อของมาก็มีความสุข พ อ, อกลับมาบ้านความสุขนั้นก็หายไปหมดแต่ความสุขที่ได้จากการไปทำบุญนี่เวลากลับมาบ้านยังมีความสุขใจอี่ใจอยู่แล้วความอยากไปเที่ยวอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็จะไม่มีด้วยแต่ถ้าไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยกลับมาบ้านเดี๋ยวความอยากไปเที่ยวความอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็มีกลับมาขึ้นมาอีก น, นี่คือเรื่องของการทาบุญ ทำที่ไหนก็ได้แต่เราเลือกทำกับวัดก่อนเพราะเราต้องสนับสนุนาศาสนาเพราะาศาสนาเป็นเหมือนที่พึ่งของเราเป็นที่จะให้ความรู้กับเราเพื่อเราจะได้ไม่หลงทางเพื่อเราจะได้รู้จักวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขระดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงนี่เกิดข้อที่หนึ่งที่พระเจ้าสอนให้เราทำก็คือ ทำบุญกันถ้าเราอยากจะเอาเงินไปซื้อของไม่จําเป็นเอาเงินไปเที่ยวเอาไปทําบุญดีกว่าถ้าเราเห็นว่าวัดวามีพร้อมเพียงแล้วพอแล้วไม่เดือดร้อนแล้วเราไปทําเองก็ได้ไปทําที่อื่นเองก็ได้อยากจะทํากับโรงพยาบาลก็ไปบริจาคเห็นโรงพยาบาลเขาขาดเครื่องไม้เครื่องมือก็ซื้อเครื่องมือบริจาคให้โรงพยาบาลเห็นโรงเรียนขาดเครื่องไม้เครื่องมือซื้อ เครื่องไมื่มอให้โรงเรียนโรงเรียนขาดาต้องซ่อมแซมอาคารการเรียนทําอะไรก็ทําไปได้นี่ก็เป็นการทําบุญเหมือนกันได้บุญเหมือนกันบุญจะมากบุญจะน้อ ย, อยอยู่ที่เราทํามากทําน้อยเร า, าทำร้อยบาทก็ได้บุญร้อยบาททําเราทําบุญพันบาทแล้วก็ได้บุญพันบาทาไม่ว่าจะทํากับวัดทํากับ ลงเรียนทากับโรงพยาบาลทําทกับวัวกับควายปล่อยวัวปล่อยควายถ่ายวัวถ่ายควายปล่อยนกปล่อยปลาผลบุญที่เกิดในใจคือความสุขใจเอ็งใจมากน้อยอยู่ที่ปริมาณเสียสละของเราเสียสละมากความสุขใจเอ็งใจก็มีมากเสียสละน้อยความสุขใจเอ็งใจก็มีน้อยไม่เชื่อลองลองทดืู วันนี้ทำร้อยหนึง่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองทําอาทิตย์หน้าลองทําพันหนึ่งดูหรือลองทําวันนี้เลยก็ได้วันนี้ทำร้อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวเป็นลองทำอีกพันหนึ่งดูจะดูซิว่าจะมีความรู้สึกสุขใจมากขึ้นหรือน้อยลงอันนี้ก็มันจะเห็นผลต้องไปเห็นที่ที่เขาเดือดร้อนถ้าไปทําที่ไม่เดือดร้อนเราอาจจะไม่เห็นผล เพราะยังไม่รู้ว่าเงินที่เราทํานี้เขาจะไปทําอะไรแต่ถ้าเราไปทําให้กับที่ที่เขาเดือดร้อนเขากําลังขาดอาหารพอเราไปทําเพิ่ม เ, เขาก็มีอาหารเก่นมากขึ้นมีเราก็จะเห็นชัดเลยว่าเวลาเราทํามากขึ้นเขาก็ได้บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนได้มากขึ้นเราได้รับความสุขมากขึ้นเราก็เกิดความสุขใจมากขึ้นมาเอง อันนี้เป็นหน้าที่เป็นวิธีสร้างความสุขดับความทุกข์ในระดับของเงินทองเราต้องรู้จักใช้เงินทองให้เกิดประโยชน์กับจิตใจอย่าใช้เงินทองให้เกิดโทษกับจิตใจใช้ให้เกิดโทษก็ใช้ตามความอยากต่างๆใช้ให้เกิดคุณก็ใช้ด้วยการทำบุญด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเราจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องเงินทอง เพราะถ้าเราไม่มีเงินทองเราก็ไม่ต้องทำที่ให้ทำเพราะว่าเราอยากจะเอาเงินทองนี้ไปใช้ในทางที่จะทำให้เกิดโทษกับเร า, เาไปเที่ยวเนี่ยมันจะเกิดโทษพรามันจะติดเที่ยวมันจะเที่ยวเรื่อยๆแล้วพอวันไหนเที่ยวไม่ได้มันก็จะทุกข์ถ้าไม่มีเงินเที่ยวก็อาจจะไปลักไปขโมยมาเที่ยวต่อก็ต้องไปทาบาปอีกเพราะ อ, อดเที่ยวไม่ได้ แต่ถ้ า, าไปทำบุญแล้วจะความอยากเที่ยวยังไม่มีเวลาไม่มีเงินก็อยู่บ้านเฉยๆได้ไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปทำบาปาการทำบุญมีประโยชน์อย่างนี้จะทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจและจะทำให้เราเลิกใช้เงินไปตามความอยากต่างๆได้นี่เป็นขั้นที่หนึ่งของภารกิจที่ชาวพุทธคนจะทากันในวันหยุดการทางาน สมัยก่อนเราเรียกวันหยุดว่าวันพระสมัยนี้เราเปลี่ยนไปแล้ววันหยุดของเราไม่ไม่ตรงกับวันพระวันหยุดของเราไปตรงกับสาวาทิดพอวันวันนี้เป็นวันพระเป็นวันจันพวกที่ต้องทำงานก็เลยไม่สามารถที่จะมาวัดได้เพราะต้องไปทำงานก็จะขาดไม่ได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธไปไม่มไม่ได้มาทำ ทำบุญไม่ได้มาสร้างความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาดับความทุกข์ที่แท้จริงเพราะต้องไปทํางานอย่างนั้นสมัยนี้ชาวพุทธเราต้องเปลี่ยนวันพระให้มาตรงกับวันหยุดเช่นวันหยุดเราวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ถือวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันพระแทนที่จะไปเที่ยวกันก็ไปวัดกันแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาเงินไปทําบุญที่วัดกัน อย่างนี้เราก็จะได้รับประโยชน์จากการเป็นชาวพุทธจากการนับถือพระพุทธศาสนาเพราะเราได้เราได้ทำหน้าที่ทาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้รู้จริงเห็นจริงในเรื่องของการสร้างความสุขดับความทุกข์ที่แท้จริงถ้าเรามารอรอมัวว่ามามัวรอแต่วันพระนี้ นี่กว่าจะวันพระกว่าจะตรงกับวันหยุดของเราอีกก็ต้องหลายเดือนเพราะมันจะค่อยเลื่อนไปเรื่อยๆอาทิตย์นี้ก็วันจันท์อาทิตย์หน้าก็อังคารกว่าจะถึงวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นเดือนเดือนกว่าเราถึงจะได้มาวัดกันสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าเราถือว่าวันหยุดทํางานของเราเป็นวันพระเราก็จะมีวันพระทุกอาทิตย์และมีสองวันด้วยมีวันเสาร์วันอาทิตย์ ถ้าเรามาวัดวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็จะได้ทำบุญทำทานได้กำจัดความอยากที่ตัวที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆให้น้อยลงไปแล้วก็ทำให้เราได้มีความสุขจากการเสียสละแบ่งปันของเราบริจาคเงินทองเข้าของให้แก่ที่เขาผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอ น, นี้ก็เป็น เป็นหน้าที่ของชาวพุทธเป็นงานที่จะทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงเป็นงานที่จะทำให้เราดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจแต่นี่เป็นเพียงส่วนแรกของการทำหน้าที่นี้ยังมีอีกสองส่วนด้วยกันที่เรียกว่าศีลกับภาวนาการรักษาศีลการภาวนาก็เป็นการชำระกายการกระทำทางกายทางวาจาใจให้สะอาด พราะการกระทำทางกายวาจาใจที่ไม่สานี้นำความทุกข์มาให้กับเราการกระทาทางกายวาจาที่ไม่สานี้คืออะไรก็คือการทำบาปนะอกุศลที่เรียกว่ากุศลทำบาปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดเลื่มสุรายาเมาเป็นการกระทําที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราก็ต้องมาชำระการกระทาเหล่านี้ อย่าทำอย่าทำบาปทำบาปแล้วใจร้อนใจทุกข์ใจจะต้องไปรับผลบาปทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่ตายไปแล้วขณะที่มีชีวิตอยู่ใจก็ร้อนขึ้นมาแล้วทุกข์ขึ้นมาวิตกกังวลหวาดกลัวขึ้นมาแล้วถ้าถูกจับได้ก็ต้องไปติดคุกติดตารางอันนี้ก็ อันนี้ไม่แน่นอนบางทีก็ไม่ติดบางทีก็หลุดได้เพราะสมัยนี้กฎหมายไม่ศักดิก์สิทธิ์ถ้ามีเงินก็แหกแหกแหกคุกได้แต่ยังมีคุกอีกกันที่รอเราอยู่หลังจากที่เราตายไปแล้วอันนี้แหกไม่ได้คุกนี้เรียกว่าบายบายคือที่ไปอยู่ของผู้ที่ทำบา สี่แดนด้วยการแดนเดลชาญแดนเปรตแดนอสุรกายแดนนรกขึ้นอยู่กับเหตุของการทำบาว่าทำด้วยเหตุผลอันใดถ้าทำบาปด้วยความหลงไม่รู้ว่าบาปเขาก็จะส่งไปแดนเดลฉานไปอยู่กับพวกเดราชานพวกเดราชานนี้เขาต้องทำบาเพื่อเลี้ยงชีพของเขาเขาไม่รู้ว่าบาปเขาทำเพราะเขาคิดว่าเป็นการเอาตัวรอดอยู่รอด คนที่ทำบาปเพราะคิดว่าเป็นการเลี้ยงชีพก็เหมือนกันตายไปเขาก็จะจัดไปส่งไปสู่แดนรดลฉานถ้าทำบาบด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆอยากเป็นใหญ่เป็นโตมากๆเนี่ยทำแต้องทบาบาปก็จะไปเป็นเปรตกันเปรตนี้จะมีแต่ความโลภความหิวแล้วถ้าทำบาบด้วยความกลัวกลัว กลยุงก็ตบยุงกลัวมดก็ฆ่ามดกลัวงูเจองูก็ตีงูเจออะไรที่ทำให้เรากลัวนี่เราจะทำบาปทันทีทำทำบาปานี้ก็ไปเป็นอสุรกายแล้วถ้าทำบาปเพราะโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทใครพูดไม่ดีทำไม่ดีกับเราก็ทำบาปฆ่าเขาเลย ลักทรัพย์ของเขาหรือไปทำร้ายเขาการแกล้งเขาอะไรต่างๆางนี้ก็จะไปนรกนี่คุกที่หนีไม่พ้นขณะมีชีวิตอยู่อาจจะหนีคุกที่อยู่ในโลกนี้ได้ถ้ามีเงินมากก็หนีออกนอกประเทศได้ไปอยู่ต่างประเทศได้ทำบาปมากน้อยเพียงไรก็เขาจับไม่ได้ แต่ตายไปนี่มันมันหนีไม่พ้นเพรใจมันได้เป็นเป็นอบายเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายร่างกายนี้เป็นมนุษย์อยู่แต่ใจอาจจะเป็นเดรัจฉานไปแล้วเป็นเปรตไปแล้วเป็นนสุรกายไปแล้วเป็นนรกไปแล้วอยู่อย่างไม่มีความสุขอยู่อย่างความอยู่อย่างวิตกกังวลหวาดกลัวอยู่อย่างหิวโหยถ้าเป็นเปรตก็หิวโหยถ้าเป็นนสุรกายก็หวาดกลัว ถ้าเป็นนรกก็มีแต่ความอาฆาตพยาบาปเครียดแค้นกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่เป็นผลของการทำบาปที่เราต้องการมาชำระกันเพราะเราไม่ต้องการผลเหล่านี้เราต้องการให้ใจเราไปสู่สวรรค์กันตายแล้วล้วไม่ไปอบายก็ต้องไม่ทำบาปทำแต่บุญถ้าทำแต่บุญไม่ทำบาป เวลาตายไปใจก็ไปสวรรค์ชั้นต่างๆการทำบุญนี่จะทำให้เราได้ไปสวรรค์แต่ต้องไม่ทำบาปถ้าเราทำบุญแล้วไปทำบาปเราต้องไปอบายก่อนบุญที่เราทำนี่ยังไปไม่ได้ถ้าบุญน้อยกว่าบาปที่เราทำแต่ถ้าบุญมากกว่าบาปที่เราทำก็ไปสวรรค์ได้ไปสวรรค์ไปนิพพานได้ เช่นองคุลิมานนี้ยฆ่าคนถึง999คนแต่ทำบุญขั้นภาวนาได้รักษาศีลได้ละเว้นจากการฆ่าได้ฆ่ากิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้บุญนี้มีมากกว่าบาปที่ทำไว้ตายไปก็ไปนิพพานไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดราฉานไปเป็นเปรตจะเป็นอสุรกายไปตกนรก แต่ต้องทำบุญแบบขั้นระดับภาวนาขั้นภาวนานี้เพื่อชำระ อ, ะอกุศลทางใจคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจโดยที่สร้างภพสร้างชาติสร้างการเวียนว่ายตายเกิดให้กับเรานี้ก็คือกิเลสตัณหาที่เราจะต้องใช้การภาวนา คือการนั่งสมาธิการเจริญวิปัสสนาเราถึงจะสามารถกำจัดชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างองคุลิมานี้พอภาวนาได้ทำใจให้สงบได้หยุดความอยากต่างๆได้ด้วยปัญญาใจก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาใจก็ไม่ต้องไปเกิดที่ไหนใจไปอยู่นิพพาน บาปที่ทำมามากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่มีกำลังที่จะดึงให้ไปอยู่ในอบายได้บุญที่ทำน้อยมากน้อยก็ไม่มีกำลังที่ให้ดึงไปอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆได้เพราะจะไปอยู่ที่นิพพานถ้ามีบุญที่เกิดจากการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้คือบุญที่เกิดจากการภาวนาสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาทาใจให้สงบ เป็นสมาธิวิปั ส, สนาภาวนาทำใจให้เห็นว่าการกระทำตามความอยากนำไปสู่ความทุกข์ความสุขที่ได้เป็นความสุขนิดเดียวเวลาได้อยากได้ทำอะไรก็เกิดความสุขพอทำเสร็จความสุขหายไปความอยากที่จะทำก็โผล่ขึ้นมาใหม่พอไม่ได้ทำก็จะทุกข์พออยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกข์แต่ถ้าไม่มีความอยากใจก็จะไม่มีความที่จะทุกข์ ก็ต้องถอนต้องหยุดความอยากเวลาอยากก็อยากไปทาตามความอยากมันบอกให้ไปเที่ยวก็ไม่ไปเที่ยวบอกให้เราไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็ไม่ซื้อบอกให้เราไปทำอะไรต่างๆก็อยากไปทำมันต่อไปมันก็จะไม่สามารถมันดึงแลให้เราไปทำอะไรตามความอยากได้ใจของเราก็อยู่เฉยๆไม่มีอะไรจะดึงให้เราไปเกิดใหม่ได้ บาปที่ทำไว้ก็ไม่สามารถดึงใจที่มีสมาธิมีปัญญาได้ใจนี้จะเป็นเหมือนก้อนหินก้อนเบ่มลมพัดแรงขนาดไหนพายุมาแรงขนาดไหนก็ไม่สามารถขยับก้อนหินได้ใจที่มีสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนานี้จะหนักแน่นเหมือนก้อนหินใหญ่เหมือนภูเขาไม่มีอะไรที่จะมาขยับมันได้ แต่ใจที่ไม่มีส ม, มถะภาวนามีแต่กิเลสตัณหานี่แม้แต่ลมพัดไปลมพัดเบาๆมันก็เปลวไปตามลมแล้วใครพูดอะไรไม่ดีหน่อยใจก็โกรธขึ้นมาแล้วเสียใจขึ้นมาแล้แต่ถ้าใจเป็นหินนี่ใครจะพูดอะไรใครจะทำอะไรนี่มันจะเฉยมันไม่เดือดร้อนมันไม่วุ่นวายจะเหมือนเป็นเหมือนหินมันรู้รู้ว่าเขาพูดไม่ดีรู้ว่าเขาทำไม่ดี แต่ใจจะไม่เสียใจไม่โกรธไม่อะไรจะรู้เฉยๆใจที่มีการภาวนาเป็นใจที่กำจัดความโลภความโกรธความหลงทำให้มันไม่โกรธอะไรไม่โลภอะไรเห็นอะไรก็ไม่โลภไม่อยากได้ได้ยินอะไรที่ไม่ดีก็ไม่โกรธไม่เสียใจนี่แหละคือสิ่งที่เราสามารถทำให้กับตัวคือทำให้กับใจของเราได้ ทำให้ใจเราแข็งเหมือนก้อนหินแต่ใจเราตอนนี้เป็นเหมือนใบไม้ใบไม้ที่ร่วงพอลมพัดมานี่เปลวไปตามลมใครพูดอะไรหน่อยนี้ใจเสียใจวุ่นวายไปแล้วเห็นอะไรนิดหน่อยก็ใจไม่สบายขึ้นมาแล้วเพราะกิเลสตันหาเห็นอะไรไม่ชอบก็ทุกข์เห็นอะไรชอบก็ทุกข์เพราะอยากได้ พออยากแล้วไม่ได้ก็ทุกข์แต่ถ้าใจที่มีเซิรมาที่มีปัญญาแล้วจะเฉยจะไม่อยากได้อะไรเพราะรู้ว่าสิ่งที่อยากได้มามันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียมันไปไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอดจะต้องมีการพัดพากจากกันไปในที่สุด พอพอถึงเวลาจากกันก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันแล้วเอามาทำไมอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าเมื่อไม่มีอะไรก็ต้องไ ม, ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียไม่มีอะไรจะต้องทุกข์ด้วยแต่พอมีอะไรแล้วก็ต้องเสียต้องทุกข์กับสิ่งที่มีคนที่มีปัญญาก็จะไม่มีความอยากได้อะไร mm hmm. เห็นอะไรก็เลยเฉย เห็นเห็นทองคำกองเท่าภูเขาก็เฉยไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเอามาแล้วก็ทุกต้องมาคอยเฝ้าคอยรักษาเวลาเสียไปก็เสียใจคนที่มีปัญญาจะเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นสุขที่แท้จริงมีแต่เป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้เป็นความสุขผิวบางๆเหมือนยาน้ำน้ำตาลเคลือบยาขม มีอมใหม่ๆก็หวานพอสักพักก็พอน้ําตาลหมดก็ขมเวลาได้ะรใหม่ๆก็หวานแต่งงานก็ใหม่ๆก็หวานพออยู่กันไปไม่กี่เดือนน้ําตาลหายไปหมดแล้วเหลือแต่ความขมตามมาแล้วนี่คือความสุขที่เราจะได้รับจากสิ่งต่างๆในโลกนี้มันหวานต้นขมปลายแต่ไม่มีปัญญา เห็นได้ลายก็คิดว่ามันหวานอยากได้มารู้ทีหลังว่ามันเวลาน้ําตาลมันละลายไปหมดแล้วมันกลายเป็นของขมไปแล้วเพราะของที่ได้มามันเปลี่ยนไปมันเสื่อมลงไปมันดีมันกลายเป็นไม่ดีไปหรือมันหมดไปอันนี้มักจะมองไม่เห็นกันเห็นว่ามันหวานอย่างเดียวสุกอย่างเดียวไม่เห็นว่ามันมีวันหมดนะ พอมันหมดเราก็จะกลายเป็นทุกข์ขึ้นม า, านี่คือปัญญาถ้ามีปัญญามีสมาธิใจจะไม่มีความอยากกับอะไรทั้งนั้นเห็นอะไรก็เฉยได้ยินอะไรก็เฉยใครชมก็เฉยใครด่าก็เฉยเพราะมันปากของเขาลมปากของเขานั่นเองเราไปบ้ากับเขาเองเขาชมเราบางทีไม่เป็นความจริงเรายังดีใจเลย พอ่อเขาว่าเราสวยหน่อยแล้วก็ยิ้มแป้นนะพอเขาว่าเราไม่สวยหน่อยก็โกรธเขาละเพราะใจเรายังไม่มีปัญญายังไม่ดูไม่เห็นความจริงว่ามันสวยมันสวยตรงไหนร่างกายเราถ้าเห็นความจริงแนละ้วมันไม่มีสวยตรงไหนหรอกมันมีแต่ของน่าเกลียดน่าไม่น่าดูทั้งนั้นเพียงแต่เรามองไม่เห็นเช่นกรงกระดูกเรานี่ก็มองไม่เห็นแลนะ้วใช่ไ กระโหลกสีสัเราก็มองไม่เห็นปอดหัวใจตับไตลำไส้มองไม่เห็นใครมาชมว่าร่างกายสวยก็แสดงว่าเป็นคนตาบอดเพราะร่างกายจริงๆมันไม่สวยหรอกมันเพียงแต่พอพอมีอะไรหุ้มห่อไว้ไม่ให้มันดูน่าเกลียดเท่านั้นนะ่ะถ้าลองถ้าลองผิวที่หุ้มหอนี่มันใสเหมือนถุงพลาส ต, ติกดูที่มันจะน่าดูไหมร่างกายนะ ถ้ามองทะลุผิวหนังเข้าไปได้ถ้าผิวหนังใสเหมือนถุงพลาสติกเงี้ยเห็นของที่เราใส่ไว้ในถุงเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายเรานี่ก็เป็นเหมือนถุงหนังเนี่ยเป็นเป็นถุงที่หุ้มห่อของที่มีอยู่ในร่างกายเราหุ้มห่อกระดูกหุ้มห่อปอดไตตับอวัยวะต่างๆลำไส้หุ้มหอน้าต่างๆที่มีอยู่ในร่างกาย น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำสเลดน้ำดีน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหงื่อน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำปัสสาวะเนมันอยู่ในร่างกายนี้ทั้งนั้นแต่เรามองไม่เห็นกันเราก็เลยไปหลงคิดว่ามันสวยมันน่าดูแต่ถ้าลองศึกษาจริงๆดูมันจริงๆเนมันจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรสวยเลย ตอนนี้พะเราขาดปัญญาพอใครเขาว่าสวยก็เลยดีใจพอใครเ็าว่าไม่สวยก็เลยเสียใจคนที่ว่าเขาก็ไม่รู้จริงเขาก็พูดไปตามปากลมปากของเขาเขาต่ออยากจะชมเราเขาก็ชมเราเขาต่ออยากจะทำให้เราเสียใจเขาก็ว่าเราเทานั้นเองแต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้ว่าเราไม่ได้สวยอยู่ที่ร่างกาย ความสวยของเราอยู่ที่จิตใจความสวยความสวยของเราคืออะไรก็คือความเมตตาคนที่มีความเมตตานี่แหละคือเป็นคนที่สวยคนที่มีความเมตตานี้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีเทวดาคุ้มครองเพราะคนที่มีความเมตตานี้จะทำให้คนอื่นมีความสุขการทำบุญนี่ก็เป็นการแผ่เมตตาอย่างหนึ่ง การแผ่เมตตาไม่ได้แผ่ด้วยการสวดถึนเราสวดมวนต์แล้วนั่งสวดสัพเพสัตตาอเวลาโหนตุนี่เราไม่ได้แผ่อะไรเป็นการสวดเพื่อเตือนใจสอนใจให้รู้จักวิธีแผ่เมตตาเวลาแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราเจอกันสุ ข, ขีอัตนานังปาริหัลันตุขอให้เขามีความสุขแต่ทํำให้เขามีความสุขอย่างไรก็เอาขนมให้เขากินสิเอาเงินให้เขาสิ เวลาวันเกิดให้เงินใส่ซองให้เงินเขาไปพอเขาได้รับเงินทองเขาก็มีความสุข Virginia. แล้วเขาก็จะรักเราชอบเราใช่ไหมเรารักคนที่ให้เงินทองเราหรือเราเกลียดเขาเวลาคนเขาให้เงินทองเราเราเกลียดเขาหรือเรารักเขาใช่ไหมคนที่เขาขโมยเงินเรานี่เรารักเขาหรือเราเกลียดเขา คนที่มาขอเงินเรามาขโมยเงินเรานี่เร า, ารักเขาเรื่องเกลียดเขาคนที่เขาให้เงินเรานี่เร า, ารักเขาเรื่องเราเกลียดเขาคนที่ขโมยเงินก็เป็นคนไม่มีความเมตตา น, นั่นเองคนที่ให้เงินเราเนี่ยเป็นคนที่มีความเมตตาอยู่ดีๆก็ให้เงินแบกเข้าไปใช้บ้างมีเหลือกินเหลือใช้เห็นเธอไม่ค่อยมีใช้เอาไปใช้บ้างเราจะรักเขาไหม hält. นี่แหละความสวยงามของคนเราที่แท้จริงสวยที่ใจสวยที่ความเมตตาคนที่มีความเมตตาท่านบอกจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาจะคุ้มครองจะไม่เป็นจะไม่ตายด้วยยาพิษจะไม่ตายด้วยอาวุธจะไม่ไม่ตายเพราะจะไม่มีใครเกลียดเราไม่มีใครที่จะคิดฆ่าเราด้วยวิธีการต่าง Mm hmm. อันนี้หละคือถ้าอยากจะสวยงามเราต้องสวยที่ใจสวยด้วยความเมตตาวิธีทำให้คนอื่นเขารักเราก็มีหลายวิธีให้เงินให้ของเขา mm hmm. ไม่ไปทำร้ายเขา mm hmm. ไม่ไปทุบตีเขา mm hmm. เวลาเขาพูดอะไรไม่ดีทำอะไรไม่ดีให้อภัยเขา mm hmm. ยกโทษให้เขา mm hmm. ถ้าอย่างนี้เขาก็จะรักเรา mm hmm. แต่ถ้าใครเขาทำไม่ดีกับเราเราโกรธเขาอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมเขาไม่มีวันรักเราหราอก น, นี่คือการแผ่เมตตาไม่ได้แผ่ด้วยการสวดพวกเราเข้าใจผิดกันไปวัดกันแต่ละวัดนี้สอนให้แผ่เมตากันตอนสวดไม่ได้แผ่ตอนแผ่ต้องตออที่เรามาเจอกันเช่นเวลาไปกินอาหารร่วมกันก็อย่าไปแย่งกันใครอยากได้เขาตักก่อนนี่ก็แผ่เมตตา เราไม่ไปแย่งกับเขาเราลอตักที่หลังก็ได้นอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาแต่เราไปแย่งกับเขาตักเขาก่อนเขาเนี่ยเขาไม่ชอบเราเหรอกมาแย่งตักอาหารที่เขากำลังจะตักเนี่ยแต่ถ้าเรารอให้เขาตักให้เสร็จอ้าวพี่อยากกินอะไร น, น้องอยากกินอะไรตักไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาส่วนที่เหลือก็ได้ไปอย่างเนี้ยก็จะมีแต่คนรักเราชอบเราเพราะเราไม่ไปแข่งแย่งชิงดีกับเขา ให้เขามีความสุขเขาอยากจะกินอะไรให้เขากินไปก่อนตักไปก่อนเรากินส่วนที่เหลือก็ได้หรือมันถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปซื้อกินของเราก็ได้เอนจะยากกินตรงไหนไม่ต้องมาสร้างศัตรูกันด้วยการมาแย่งกินกันนะการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เรามาพบปะกันมาทำกิจกรรมร่วมกัน แต่เราเข้าใจผิดเราคิดว่าแผ่ตอนที่เราสวดมนต์กันตอนนั้นไม่ได้แผลไม่มีใครมารับการแผ่ของเราเราไม่ได้ให้อะไรใครเราจะไปแผลอะไรเราไม่ได้เสียเงินแม้แต่สลึงเดียวจะไปแผ่ได้ยังไงการแผ่ก็ต้องมีการเสียสละมันถึงจะเรียกว่าเป็นการแผลเข้าใจไหม ต่าไปสวดจนมันตายคนที่เราสวดให้เขาก็ไม่มีวันที่จะรักเราหรอกใช่ไหมเวลาเราเจอกับเขาก็ทะเลาะกับเขาอยู่เรื่อยอย่าเขาจะมารักเราได้ไงเวลาเจอเขาก็อย่าทะเลาะกันสิเวลาเขาทาอะไรไม่ดีพูดอะไรไม่ดีก็อย่าไปว่าเขาอย่าไปโกรธเขาอย่าไปทะเลาะกับเขาอย่าไปแย่งอะไรกับเขาเขาถึงจะรักเราไม่ใช่สวดให้เขาเวลาที่ไม่เจอเขาแล้วก็นั่งสวดแผ่เมตตาให้เขา อนี้แผ่ไปจนวันตายเขาก็ไม่รู้ว่าเราแผ่ให้เขาต้องแผ่ตอนต่อหน้าเขาสิตอนที้เขาทำให้เราโกรธแล้วเราไม่โกรธเขาเราให้อภัยเขาเวลาเขาขาดแคลนอะไรเราช่วยเหลือเขาให้อะไรเขาเวลาเรามีของมากไม่รู้จะกินคนเดียวไม่หมดก็แบ่งให้เขากินบ้างอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นการแผ่ต้องแผ่ด้วยการกระทำไม่ไม่แผ่ด้วยการสวด ถ้าเราสวดนี่เราไม่ได้แผ่แล้วเราจะไม่สวยงามเพราะเวลาเพราะการกระทาของเราตรงกันข้ามกับการสวดของเราให้อภัยก็ไม่ยอมให้อภัยไม่ให้เบียดเบียนก็เบียดเบียนกันแก่งแย่งชิงดีกันไม่ให้ทำร้ายกันก็ทำร้ายกันให้ความสุขกับกันก็ไม่ให้ความสุขกับกันอันนี้ก็แสดงว่าสวดไปเสียลมปากเปล่ า, าสวดไปไม่ได้ผลอะไร ได้ผลอยู่ตรงที่ว่าให้เรารู้ว่าวิธีแผ่แผร่ยังไงแต่ถ้าเราสวดแล้วเราไม่รู้จักวิธีแล้วเราไม่นำมาไปปฏิบัติสวดไปก็เสียเวลาไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไร mm hmm. ถ้าเราอยากจะสวยงามเราสวยด้วยความเมตตาถ้าเราเมตตาจริงๆแล้วใครจะว่าเราไม่สวยเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าว่าร่างกายเราก็มีปัญญารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่พ่อแม่ให้เรามา ให้เอามาเล่นกับมันให้เอามาพาเราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถ้าเรามีปัญญาเราเห็นว่าเป็นเป็นการหาความสุขที่ไม่ถาวรที่จะต้องไม่ไม่สามารถหาได้ต่อไปเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บเราก็อย่าไปหามันดีกว่าหาความสุขทางใจดีกว่าหาความสุขตามที่พระเจ้าสอนดีกว่าหาความสุขจากการทําบุญหาความสุขจากการรักษาศี ความสุขจากการภาวนาดีกว่าเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องร่างกายไม่ต้องใช้มันกายจะว่าร่างกายมันไม่ดีก็เรื่องของก็เรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของเรากายจะว่าร่างกายสวยมันก็มันก็เป็นคนตาตาบอดพูดคนตาดีเห็นว่าร่างกายมันสวยตรงไหนสวยที่กระเพาะหรือสวยที่ลำไส้หรือสวยที่หัวใจหรือสวยที่ปอด มีตรงไหนสวยบ้างสวยที่โครงกระดูกสวยที่กระโหลกศรีรษะสวยที่ผมเน่ยผมเวลามันหล่นลงไปในในอาหารนี่ก็จับทิง้งบางทีไม่กล้ากินอาหารไม่ลงลนี่ก็คือเรื่องของความจริงคือปัญญาคนที่มีปัญญาแล้วจะไม่หลงจะไม่เดือดร้อนกับการพูดของคนที่หลง คนที่พูดว่าสวยไม่สวยนี่เป็นพวกที่ตาบอดทั้งนั้นไม่เห็นไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาเราจะไม่ชมว่าร่างกายนี้สวยอั <c oughs> น, นนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้กันเวลาที่เรามาวัดกันมาฟังเทศฟังธรรมฟังเรื่องที่เราจะไม่ได้ยินได้ฟังในที่อื่น เรื่องราวเหล่านี้จะไม่ได้ยินที่เวลาเราอยู่ที่ที่ทำงานหรือที่บ้านหรือที่เวลาเราไปกินเลี้ยงกันไปงานกันจะไม่มีพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้จะพูดแต่เรื่องหลอกกันเรื่องหลงกันเรื่องเธอมีเงินเท่าไหร่เธอมีเพชรกี่เม็ดเธอมีแฟนกี่คนคุยแต่เรื่องของความทุกข์ทั้งนั้น ไม่รู้ว่าของเหล่า น, นี้มันมันสุขตอนที่มีตอนที่มันไม่มีมันทุกข์ไม่คุยไม่ไม่คุยเรื่องเวลาเราแก่จะทำอะไรกันดีเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยจะทำอะไรกันดีเวลาเราตายจะทําเราจะไปไหนกันเรื่องราวเหล่า น, นี้จะไม่ไม่มีใครพูดกันเมื่อไม่พูดกันก็ไม่รู้ความจริงว่าเราจะเป็นอะไรต่อไปก็จะคิดว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาว จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ดีวันหมดเี่พอเดี๋ยววันหนึ่งเกิดแก่ขึ้นมาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาไปไหนไม่ได้ที่นี้ก็เดือดร้อนทำอะไรไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ก็เดือดร้อนแต่ถ้ามาวัดจะได้ยินได้ฟังว่าต่อไปร่างกายเราจะแก่นะร่างกายเราจะเจ็บเนี่ยร่างกายเราจะตายเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไร ที่จะทำให้ใจเราไม่เดือดร้อนทำให้ใจเราไม่ไปทุกข์กับร่างกายพระพุทธเจ้าทรงรู้วิธีที่จะทำให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเราแก่เวลาเราเจ็บเวลาเราตายก็วิธีให้เรามาทำใจให้สงบกันมาฝึกใจถ้าเราทำใจให้สงบเวลาใจไม่สามารถหน่วยร่างกายไม่สามารถไปทำอะไรให้เกิดความสุขกับเราได้ เราก็ทำความสงบไปการทำความสงบนี้ทำได้ไม่ว่าร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บจะแก่หรือไม่แก่จะตายหรือไม่ตายเพราะความสงบนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือทำให้มันสงบใช้ใจใช้สติใช้ธรรมะเป็นตัวที่จะทำให้ใจเราสงบถ้าเรารู้จักทาใจให้เราสงบเราจะมีความสุข ไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะความสุขนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายใช้สติใช้ปัญญาสองอย่างมีสติตัวเดียวก็จะได้ความสุขชั่วคราวถ้ามีปัญญาก็จะได้ความสุขที่ถาวร อ, อันนี้เราจะไม่ได้ยินได้ฟังถ้าเราไม่มาวัดกันการฟังเทศฟังธรรมนี้ มีประโยชน์ตรงนี้เราจะได้ยินเรื่องที่เราไม่รู้ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วพอเราได้ฟังแล้วถ้าเรามาฟังซ้ำอีกก็จะทบทวนจะทำให้เราเกิดความเข้าใจดีขึ้นทำให้เราไม่หลงไม่ลืมทำให้เรารู้ว่าวิธีที่จะหาความสุขที่แท้จริงที่มั่นคงที่ไม่ที่ไม่เสือ่อมไม่เสียไม่สูญไม่สิ้นก็คือการหาความสุขทางใจ การหาความสุขทางร่างกายนี้มันจะต้องเสริมมันจะต้องสิ้นเืลอร่างกายหมดสภาพไม่สามารถพาเราไปหาความสุขได้ความสุขที่ได้จากทางร่างกายก็หมดพอไม่มีความสุขทางร่างกายใจก็จะทุกข์เพราะไม่มีอะไรมาหล่อเลี้ยงไม่มีความสุขมาหล่อเลี้ยงใจก็จะมีแต่ทุกข์อย่างเดียวแต่ถ้าเรารู้จักวิธี หาความสุขจากการจากการทำใจให้สงบได้พอเราใช้น่างกายไม่ได้เราก็สามารถที่จะใช้สติมาทำใจให้สงบได้เหมือนสมัยนี้รถยนต์เขาบาังคันฉลาดใช้ทั้งก๊าซใช้ทั้งกา ร, ใ ช, การใช้ทั้งน้ามันเวลาน้ำมันหมดก็ยังมีกา๊าซมีแก๊สเนี่ยสมัยนี้มีทั้งแบบไฟฟ้ากับน้ามันปนกัน เวลาน้ำมันหมดก็ใช้ไฟฟ้าได้อั น, นี้อันนี้รถมีสองระบบระบบใช้น้ำมันแล้วระบบใช้แก๊สเวลาที่ไหน น, น้ำมันหมดก็ถ้ามีมีแก๊สอยู่ก็ยังใช้แก๊สขับต่อไปได้ถ้าแก๊สหมดถ้ายังมีน้ำมันอยู่ก็ยังใช้น้ำมันได้ถ้ามีระบบเดียวพอหมดก็หมดเลยพอน้ำมันหมดก็จอดต้องเดินไปซื้อน้ำมันมาใส่ จะวิ่งต่อไปได้ความสุขของเราก็มีสองแบบความสุขทางกายกับความสุขทางใจแต่ตอนนี้เรารู้จักความสุขทางร่างกายทางเดียวเราไม่รู้สึกความเราไม่รู้จักความสุขทางใจไม่รู้วิธีสร้างความสุขทางใจว่าสร้างอย่างไรตอนนี้เรามาวัดเราได้เรียนรู้วิธีนี้ถ้าไปที่อื่นจะไม่รู้ว่ามีวิธีสร้างความสุขได้อีกแบบหนึ่ง เป็นวิธีที่เกิดจากการทำบุญทาทานวิธีเกิดจากการรักษาศีลวิธีเกิดจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบถ้าเรามีสติควบคุมใจควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ใจก็จะสงบใจสงบแล้วก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาต่อไปเวลาที่เราไม่สามารถใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวได้พาไปหาความสุขได้เราก็ใช้สติ หยุดความคิดพุโทโธพุธโทโธสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปดูลมหายใจเข้าออกไปเดี๋ยวใจก็นิ่งนิ่งแล้วก็จะสบายเย็นมีความสุขร่างกายจะแก่ก็ไม่เดือดร้อนจะไม่คิดฆ่าตัวตายรับรองได้อายุร้อยกว่าปีก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนดีเสียกได้อยู่ความจริงควรจะดีใจที่มีอายุยืนยาวนานช่วยฆ่ามันทาไมใช่ไหม มีแต่คนอยากจะอยู่ไปนานๆ น, นี่พออยู่ไปแล้วไม่มีความสุขก็อยากจะฆ่าตัวตายเพราะไม่รู้จักวิธีอยู่แบบมีความสุขถ้ารู้จักวิธีอยู่ความสุขอาจจะอยู่ถึงร2อยยี่สิบปีก็ได้พระพุทธเจ้าเคยพูดว่าถ้าพระองค์จะอยู่ถึงร2อยยี่สิบปีก็อยู่ได้แต่พระองค์ขี้เกียจอยู่บออยู่แบบคนแก่มันไม่สนุกต้องเป็นพาราให้คนอื่นต้องมาคอยช่วยเหลือดูแล และจะทําประโยชน์ไม่ได้เต็มที่ก็เลยไม่อยู่เอยู่แค่แปดสิปีก็พอเพราะอยู่ก็ไม่ได้ทําอะไรให้กับตนเองมีแต่ทําให้กับคนอื่นพระพุทธเจ้านี่ตั้งแต่ตัดสรตวตอนที่อายุสาสิบห้าปีนี้พระพุทธเจ้าได้พบกับความสุขเต็มเปี่ยมในหัวใจแล้วหลังจากนั้นจะทําอะไรก็ไม่สามารถเพิ่มความสุขที่ได้ให้มีมากไปกว่านั้นที่ทําก็ทําเพื่อให้คนอื่นมีความสุขเท่านั้น พระพุทธเจ้าตลอดเวลาส5้าปีนี้ไม่ได้ทำอะไรให้กับตนเองเลยทำให้กับพวกเราสอนพวกเราให้มีความรู้วิธีหาความสุขว่าหาอย่างไรวั น, ว, นวันหนึ่งนี่ท่านมีแต่ทำหน้าที่สั่งสอนวันละสามรอบสี่รอบตอนบ่ายสอนญาติโยมตอนค่ำสอนภิกษุสามนเณรภิกษุณีตอนดึกสอนเทวดาตอนเช้าก่อนออกบิณฑบาตก็เล็งยานดูว่าจะไปสอนใคร เป็นกรณีพิเศษในวันนั้นมีแต่เรื่องสั่งสอนมีแต่ให้ความรู้เพื่อผู้ที่ได้รับความรู้จะได้นํำมาไปปฏิบัติเราจะได้รับความสุขตวัวพระ อ, องค์เองไม่ได้ทําอะไรเลยเม้แต่การบินทบาะโปรตัดก็ไม่ได้ทําให้กับใจของโอง๋พระ อ, องค์เองทําให้กับร่างกายเลี้ยงดูร่างกายเพราะยังต้องใช้ร่างกายในการเอามาสั่งสอนคนอื่นอยู่ดัง mm hmm. นั้นพอถึงเวลาที่ร่างกายมันไม่ไหวท่านก็เลยไม่ไป ยืดอายุมันปล่อยให้มันหยุดมันไม่ไหวก็ปล่อยมันตายไปพอแล้วทางานมาสี่สิบห้าปีไม่ได้อะไรเลยจากการกระทํานี้เพียงแต่มีความเมตตาสงสารสัตว์โลกเท่านั้นเองพวกเราจึงได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากการเสียสละจากความเมตตาของพระพุทธเจ้าเราจึงควรที่จะสำนึกในพระคุณของพระพุทธเจ้า เราควรจะบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาเพราะพระพุทธเจ้าไม่ต้องการอะไรจากเรานอกจากจะเห็นพวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องการจะเห็นให้พวกเราได้รับความสุขจากการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เท่านั้นดังนั้นถ้าเราอยากจะทดแทนบุญคุณบูชาคุณของพระพุทธเจ้าก็ขอให้เรามาปฏิบัติบูชากันบูชาด้วยการทําบุญทำทานด้วยการรักษาศีล ด้วยการภาวนานั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมให้เกิดปัญญาแล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราจะได้ไปอยู่ที่พระนิพพานที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็จะมีความสุขจากการที่เห็นพวกเรามีความสุขกันจะหายเหน็ดหายเหนื่อ ย, ย, อยที่ได้อุตส่าห์เสียสละเวลามาสั่งสอนพวกเราแล้ว ไม่ไม่เสียไม่ไม่เป็นเปล่าประโยชน์ออพวกเราเอาไปปฏิบัติแล้วพวกเราทำให้เวลาพระพุทธเจ้าที่เสียสละนี้ออมีมีผลประโยชน์ตามมา อ, อ, อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะกระทำกันออปฏบิบัติบูชากันออแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์พระพุทธเจ้าก็จะไดออ้รู้ว่าการกระทำของพระองค์นี้ไม่เสียเวลา ทำแล้วทำให้สัตว์โลกที่พระองค์ทรงมีความเมตตาสงสารได้หลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกับที่พระองค์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่อให้มีอะไรมากมายก่ายกองมีเงินทองกองเท่าภูเขาก็ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่าไปหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการหาเงินทองด้วยการหาตาแหน่ง โดยการหาคำสรรเสริญโดยการหาความสุขทางตาหูจมูกมือกายให้มาหาคามหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการทําบุญด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาเพราะนี้เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทํามาแล้วทรงพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีที่จะทําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแน่นอนเอาล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริกวหาปุราปะริกปุเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกะปติอิท e ิตังปัติตังตุมหังค um ิปะเมวะสมิจเจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะหะระโสยะถามานิโชติ ปราโสยตาสพีติโยวิวาชานโตสัพพโลกเวนัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวัตนาสีลิสานิจจังวุธาปจายโนจตารุธรรมวทานติอายุวันโอสุขัง พาลังมาจากที่ไหนกันมาจากที่ไหนกันผ่านทองพึ่งมาครั้งแรกเหรอครั้งแรกทายแน่นำมาเลยเราอยากเสือกเหรอเสือกเขาว่ายังไงจับไปยะจปยะอ๋อ สัพพายะแปลว่าอะไรรู้ไหมสบายภาษาบาลีสัพพายะนี่แปลว่าสบายสบายก็คือสงบนี่แหละสงบแล้วมันก็ทําให้เราสบายถ้าไม่สงบแล้วมันก็วุ่นวายไม่สบายแต่เราชอบวุ่นวายกันเราชอบอยู่กับเรื่องวุ่นวายเหมือนก็เลยวุ่นวายมันเลยไม่สัพพายะไม่สงบ พอเราคิดว่ามันคิดว่าสิ่งที่ทําให้เราวุ่นวายมันมันสงบแต่มันไม่สงบพอได้มันมาแล้วมันทําให้เราวุ่นวายถ้าไม่ได้มันเราก็ไม่วุ่นวายพอได้แล้วก็ต้องวุ่นวายไปกับมันได้ลูกมาแล้วต้องวุ่นวายไปกับลูกไหได้แฟนได้อะไรมาก็ต้องวุ่นวายไปกับเขาหมดถ้าไม่อยากจะวุ่นวายก็ต้องอยู่คนเดียว นั่นละสัปปายะวิธีสัปปายะก็คือต้องอยู่คนเดียวอยู่แบบพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่คนเดียวตอนตัดสัรู้ใต้โคนต้นโพนี้ไม่ได้อยู่กับใครนั่นละถึงได้พบกับสัปปายะได้พบกับความสบายถ้าเราอยากจะสบายก็ต้องทำแบบพระพุทธเจ้าต้องไปบวชกัน น, น, น ะ, นะถ้ายังบวชไม่ได้ก็ ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนนองปฏิบัติอยู่ที่บ้านไปก่อน<ม>หัดทําใจให้สัปปะยะนั่งสมาธมิาใจสงบแล้วใจจะสัปปายะจะสบายเราจะรู้ว่าที่บ้านนี่วุ่นวายหนออแล้ว ก, ออก็อยากจะออกบวชเองตอนนี้พยายามหัดทาใจให้สัปปะยะให้สงบไหวพระสวดมนต์ก่อนนอนนั่งสมาธิไปก่อน ถ้าถ้าเป็นบุญของเราก็เหมือนกับตกปลาจะได้ปลาขึ้นมาตกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันต้องได้ปลาสักตัวหนึ่งไหว้พระสวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวถึงเวลามันจะสงบขึ้นมาเองพอสงบแล้วนี้มันก็จะเห็นว่าอะไรไม่มีอะไรดีเท่ากับความสงบก็อยากจะไปบวชเองเดี๋ยววันนี้จะมีการถามตอบปัญหา ตอนนี้มีถ่ายทอดสดทุกวันออกทางหลายทางด้วยกันทางอินเทอร์เน็ตมีสองช่องมี YouTube Facebook แล้วแถวนาเกลือแถวนาจอมเทียนนี่เขาก็เอาไปถ่ายทอดออกทางเคเบิลทีวีเดี๋ยววันนี้อยากจะขอถามก่อนว่ามีคนติดตามเท่าไหร่วันนี้วันนี้ทาง Facebook มีติดตามอยู่414คนครับทาง y o ย t u b e 117 ทางวิทยุสามสิบครับแล้วก็อยู่ข้างบนเขาสี่สิบแปดครับรวมทั้งหมดเป็นหกร้อยเก้าครับหกร้อยเก้าติดตามอยู่ตอนนี้ก็เขาจะมีส่งคำถามเข้ามามีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีก็ฟังคำ ฟ, ฟ, ฟังคำถามของคนอื่นดูน ะ, ะจะได้ความรู้เพิ่มเติมมีใครถามอะไรก็ถามมาได้เลย Yeah. ทางบ้านครับคำถามจาก a ฟ e b o o k จากคุณทิพย์ครับกราบเรียนถามพระอาจารย์การที่ไปสวดมนต์ภาวนาที่วัดอารามหลวงเทพเทวดาจะช่วยปกปักรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ไหมครับไม่ได้หรอกเทพเทวดาจะปกปักรักษาต่อเมื่อเราเป็นคนมีความเมตตาถ้าเรามีความเมตตาเทวดาก็จะคอยคุ้มครองเรา แต่เรื่องโครคภัยแค่เจ็บนี้เทวดาบางทีก็ช่วยไม่ได้ช่วยได้ก็อาจจะส่งหมอมาดูแลเรารักษาเราเวลาเราเดือดร้อนอะไรครับเทวดาอาจจะไปเข้าฝันให้คนที่เขารู้จักเรามาช่วยเราก็ได้แต่เรื่องของร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนี้มันเป็นเรื่องของเราส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การเลี้ยงดูของเราเองกินอะไร กินผิดกินถูกมันก็ทำให้เกิดโรคภยัยไค่เจ็บขึ้นมาได้ถ้าเรารู้จักวิธีกินวิธีอยู่ที่ถูกต้องโรคภยัยแค่เจ็บก็จะมีน้อยแต่มันก็ยังมีโรคภัยที่เกิดจากกรรมมาพันธ์อาจจะติดมาจากพ่อแม่ก็ได้แัะ้เรื่องโรคภยัยแค่เจ็บนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องอยู่กับมันเพราะมันเป็นผลของการมาเกิดเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนไม่ว่าจะมีบุญมากบุญน้อย พระพุทธเจ้าก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันแต่การสวดมนต์นี้เป็นทําให้เราไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้สวดมนต์แล้วใจเรานิ่งใจเราสงบเราก็จะไม่วุ่นวายเวลาร่างกายเจ็บหรือเป็นอะไรเราก็เลีรักษามันไปรักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปจนกว่ามันจะตายไปแต่ใจเราจะไม่เดือดร้อนถ้าเราไหว้พระสวดมนต์เป็น คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับการที่เราอยากสมหวังความรักสักชาติสักพบจะต้องทำบุญแบบไหนหรือต้องทำกุศลแบบไหนคะอยากทราบคำตอบจริงๆครับสมหวังกับความรักเลยครับผมไม่มีหรอกเพราะความรักเป็นความผิดหวังเป็นความทุกข์ถ้าสมหวังก็สมหวังเดียวเดียวเวลาแต่งงานใหม่ๆก็สมหวังกันแล้วเดี๋ยวอยู่ไปไม่นานก็ทะเลาะ ก, กัน นั้นไม่มีหรอกความสมหวังในความรักมีแต่ความผิดหวังเพราะว่ามันเป็นของชั่วข่าวมันเป็นความสมหวังเดี๋ยวเดียวจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามครับถ้ามีคนคนหนึ่งบุญกุศลเขามากกว่าเราทําอย่างไรคะบุญเราจะได้เสมอเขาเราต้องทําแบบไหนคะอ๋อเราก็ต้องทําบุญของเราให้มากขึ้นบุญนี้แข่งกันไม่ได้ฮ ต้องต้องทำกันเองอคือแข่งกันได้เขามีบุญมากกว่าเราเราก็ต้องทำเราแข่งกับเขาได้แต่มันมันอยู่ที่ว่าเราจะทำไหวหรือเปล่านัน อ, อย่าไปแข่งกับคนอื่นดีกว่าเรื่องของการแข่งขันเพราะคนแต่ละคนนี้มีบุญมามากน้อยไม่เท่ากันได้ทำบุญมาจากในอดีตมามากน้อยไม่เท่ากันถึงแม้อาจจะทำมากเราอาจจะทำมากในชาตินี้อาจจะสู้เขาไม่ได้อยู่ดี งั้อย่าไปแข่งกับคนอื่นพระพุทธเจ้าบอกให้แข่งกับตัวเราเองให้แข่งกับตัวเราตัวเราไม่มีบุญเราก็พยายามทําบุญไปเรื่อยๆ เ, เวลาเราขี้เกียจทําบุญเราก็ต้องเอาชนะความขี้เกียดนี้เช่นวันพระขี้เกียจมาวัดเราก็ต้องบังคับให้มันมาวัดให้ได้ว่าเราจะได้ทําบุญถ้าอย่างนี้แล้วเราก็จะได้บุญแจะมากหรือจะน้อยเท่ากับคนอื่นนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะไปวัดได้ และไม่ควรที่จะไปแข่งกับคนอื่นคำถามจากคุณธเนศตัณหาอุปาทานคืออะไรครับตัณหาแปล ว, ว่าความอยากอุปาทานคือความยึดติดยืดกับสิ่งที่เราอยากพอได้อะไรมาแล้วเราก็จะติดมันเหมือนคนติดยาเสพติดพออยากได้กาแฟก็จะติดกาแฟใช่ไหมต้องกินกาแฟไปเรื่อย ผลสูบบุหรี่พราได้สูบบุหรี่ก็ติดเี่ยอุปทานแปลว่าติดถ้าสูบแบบไม่ติดก็คือสูบคนเดียวแล้วก็คราวหน้าเห็นบุหรี่ก็เฉยไม่ไม่สูบก็ได้กาแฟก็เดิมแล้วก็ไม่ติดก็ไม่ต้องดื่มก็ได้แต่ถ้าทําอะไรด้วยความอยากแล้วมันจะติดแต่ถ้าทําด้วยความไม่อยากนี่ไม่ติดเช่นถูกบังคับเขาให้บังคับให้เราเดื่มกาแฟเราไม่ดื่มกาแฟ ไปงานเลี้ยงเขาเขาทำกาแฟมาเลี้ยงเราก็กินเท่าไหร่ตามมารยาทอย่างเงี้ยเราถ้าเราไม่ได้กินด้วยความอยากมันจะไม่ติดแต่ถ้าเรากินด้วยความอยากมันจะติดเพราความอยากมันจะกลับมาเรื่อยๆอยากกินอยู่เรื่อยๆจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับคนเราถ้าเขาได้เกิดมาคู่กันในชาตินี้ แล้วเราจะทำบุญกุศลแบบไหนเพื่อที่ชาตินี้หรือชาติหน้าจะได้อยู่และรักกันจะได้อยู่ดูแลกันไปจนแก่คะก็คนเราก็ต้องมีเมตตาต่อกันถ้าเมตตากันมันก็จะรักกันชอบกันถ้าไม่มีความเมตตาต่อกันมันก็ไม่ชอบกันไม่รักกันเฉะนั้นเราต้องพยายามมีความเมตตาต่อคนที่เราอยากจะเป็นคู่ครองกัของเราให้มีความเมตตากับเขา แต่เขาไม่จะไม่เมตตากับเราหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องนึ่งเขาอาจจะไม่เมตตากับเราก็ได้เขาอาจจะไม่ชอบเราเขาอาจจะไม่สนใจในความเมตตาของเราก็ได้ก็แสดงว่าเขาไม่ได้เป็นคู่ของเราแล้วกันอย่าไปหวังมากเลยเพราะเรื่องแบบนี้มันไม่แน่นอนใจของคนเราเปลี่ยนได้วันนี้รักกันแทบเกินกินพรุ่งนี้อาจจะโกรธกันตีกันก็ได้ อย่าไปหวังจากเรื่องที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนความความรักในโลกนี้เป็นความรักอนิจจังอนิจจังทุกขังอนัตตาอานิจจังมันไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงก็ทําให้เราทุกข์อนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้คําถามจากคุณจุโยมทําธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมบ้านพักมีลูกค้าจองมาโอนเงินชําระแล้ว แต่ปรากฏวันเข้าพักมีกลุ่มพระเข้าพักด้วยโยมควรทาอย่างไรดีคะเคยมีติดต่อแล้วบอกก่อนโยมก็ปฏิเสธไปว่าไม่สะดวกรับแต่คราวนี้เขาไม่บอกและจ่ายเงินแล้วกลุ่มพระนะคะไม่ไงไม่ทราบมีมีกลุ่มพระเข้ามาพักด้วยครับแล้วยังไงลนะ่ะแล้วก็มีลูกค้าจองที่พักมาแล้วก็โอนเงินชาระแล้ว แต่ก็มีพระมีพระมามาพักด้วยครับเขาก็เลยถามว่าเขาควรจะต้องปฏิเสธไหมแต่ว่าอันนี้จ่ายเงินมาแล้วครับคือพระมันไม่ควรไปพักที่บ้านของคารวาสอยู่แล้วพระต้องไปพักอยู่ที่วดัดเนี่ยอ่งั้นถ้าเราปฏิเสธมันก็มันก็จะว่ามันก็ไม่ผิดเพีงเยงแต่ว่า ถ้าถ้าก็ถือถ้าคนที่เขาจองบอกว่าเขาเป็นคนพาพ้ามาเขาจะนิมนต์พ้าให้อยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปไปกีดกั้นเขา mm hmm. เพราะเขาถือว่าเขาจ่ายเงินแล้วเขาจองที่พักแล้ว mm hmm. แล้วเขาก็ให้พ้าอยู่ถ้าเราไม่อยากให้เขาอยู่เราก็ไปแจ้งความตำํำรวจก็ได้เพราะว่ามีผ้ามาอยู่เราคิดว่าไม่เหมาะสม ให้ตำรวจช่วยมาจัดการหน่อยว่าให้ตัดสินให้หน่อยว่าควรใช้ใยุภาษะอยู่หรือไม่ให้อยู่คำถามนะครับอยากทราบวิธีปฏิบัติในการอยู่แบบไม่มีร่างกายต้องทำอย่างไรคะรหัสอย่าใช้ร่างกายไงนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธินี้ไม่ได้ใช้ร่างกายใช้สติสร้างความสุขถ้รารหัสนั่งสมาธิบ่อย ต่อไปเรานั่งทั้งวันได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายพาร่างกายร่างกายพาเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่พาไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรทุกครั้งอยากจะมีความสุขก็นั่งสมาธิไปต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเหมือนพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ได้ใช้ร่างกายหาความสุขฉันใช้ธรรมะฉันมีสติมีปัญญา ท่านต้องการมีความสงบท่านมีความสุขท่านก็นั่งสมาธิไปท่านไม่ต้องไปโรงหนังลงละครไม่ต้องไปร้านอาหารไม่ต้องไปช้อปปิง้งไม่ต้องไปเที่ยวที่นู่นที่นี่นี่ก็คือวิธีการหาความสุขแบบไม่ต้องใช้ร่างกายก็ต้องใช้วิธีนั่งสมาธิใช้วิธีใช้มีปัญญาคอยห้ามใจอย่าให้ไปทําตามความอยากทางร่างกาย เพราะความอยากทางร่างกายมันจะนำความทุกข์ให้เรามาทีหลังได้ความสุขตอนต้นแ้วเดี๋ยวพอร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่ได้ก็จะทำให้เราทุกข์ต่อไปคำถามจากคุณหนุย่ยเงินที่เราบูชาวัตถุมงคลใส่ตู้ดอกไม้ค่าน้ำค่าไฟชำระหนี้สงฆ์ถือว่าเป็นการทําบุญไหมครับ เราอนุโมทนาและการใส่บาตรพระเช้าอ น, นิสงส์เหมือนกันไหมครับและการสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเป็นการทําบุญสร้างบา ร, รมีด้วยหรือเปล่าครับก็เป็นการทําบุญสร้างบา ร, รมีบุญมันมีหลายหลายหลายชนิดด้วยกันเหมือนกับอาหารที่มีหลายชนิดเราก็ต้องกินอาหารให้ครบทุกชนิดกินผักกินเนื้อกินข้าวกินผลไม้อะไรต่างๆ บุญก็เหมือนกันบุญก็เป็นเหมือนอาหารของใจมีหลายชนิดก็ต้องทำให้มันครบทำบุญทาทานก็ต้องทำรักษาศีลก็ต้องทำนั่งสมาธิทำใจให้สงบก็ต้องทำฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาเพื่อตัดความอยากก็ต้องทำเหมือนกันก็บุญต้องทำให้ครบทุกชนิดจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับมีวิธีชักชวนพ่อแม่เข้าวัดฟังธรรมอย่างไรดีครับ เพราะท่านติดบ้านหมกมุ่นอยู่กับงานครับก็มาบวชสิเพราะเวลามาบวชนี้พ่อแม่มักจะตามมานี้วก็ให้พ่อแม่เกาะชายผ้าเหลืองไงคนที่ไม่เคยเข้าวัดพอลูกบวชก็ต้องมาวัดเพราะเป็นห่วงลูกคิดถึงลูกก็จะมาวัดอยู่เรื่อยๆแล้วบางทีพอลูกศึกไปแล้วติดใจก็มาต่อเนี่ยมีครอบครัวบางครอบครัวไม่เคยเข้าวัดมาก่อน พอลูกมาบวชก็เลยต้องมามาเยี่ยมลูกมามาทำบุญใส่บาทให้กับลูกแล้วพอนามาได้ฟังเทศฟังธรรมได้ได้รักษาศีลได้นั่งสมาธิก็เห็นประโยชน์ได้รับความสุขเวลาเ ล, ลิกลูกศึกไปแล้วพ่อแม่ก็ยังมาอยู่เรื่อยๆแต่ลูกที่เคยเคยบวชนี่ไม่เคยโผล่มาเลย <laughs> นานทีพี่ค <laughs> นอันนี้ถ้าอยากจะให้พ่อแม่เข้าวัดเราก็ต้องบวช กขาเนี่ยทำเนียมที่ให้บวชกันเนี่ยเพื่อบุญเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ไงพ่อแม่จะได้มีโอกาสได้เข้าวัดพ่อแม่จะได้มีโอกาสได้ทําบุญได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมได้ไปสวรรค์เนี่ยถ้าไปเนี่ยสาเหตุที่ให้บวชก็เพื่อที่ยะ ด, ดึงพ่อแม่เข้าวัดเป็นการทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ให้กับพ่อแม่แต่ถ้าบวชแล้วพ่อแม่ไม่เข้าวัดก็ช่วยไม่ได้ <laughs> พ่อแม่ตัดหางปล่อยวัดก็สวยไปก็แล้วไป ก็จะได้รับประโยชน์แต่คนบวชแต่พ่อแม่จะไม่ได้รับประโยชน์คำถามจากคุณวิรัติกราบนรมาสการครับอยากให้พระอาจารย์อธิบายว่าประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นอย่างไรครับก็ประพฤติตามคําสอนของพุทธเจ้าเนยประพฤติก็คือพระุทธเจ้าสอนให้ทําบุญก็ทําบุญรักษาศีลก็รักษาศีล น, นั่งสมาธิก็นั่งสมาธิเนี่ยก็คือการประพฤติ ธรรมที่สมควรแก่ธรรมธรรมคือคำสอนเนี่ยประพฤติธรรมก็ประพฤติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ <_ l oss> เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนนักเรียนทำตาม ท, ที่อาจารย์สอนเวลาอาจารย์สอนอะไรแล้วให้การบ้านก็กลับไปแล้วก็ทำการบ้านแล้วตอนเช้าก็กลับมาโรงเรียนเอาการบ้านมาส่งให้อาจารย์ตรวจ ตาอาจารย์เห็นว่ า, าทําถูกต้องอาจารย์ว่าอันนี้ทําตามที่อาจารย์สอนแล้วถูกต้องใช้ได้อันนี้ก็เหมือนกันเองแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่มีเวลามาตรวจพวกเราทั้งนี้พวกเราต้องตรวจตัวเราเองพาาระเจ้าบอกวันพระให้รักษาศีลรักษากันได้แม้วันนี้ศีลห้าหรือศีลแปดถ้ายังไม่เคยรักษาศีลห้าก็รักษาศีลห้าก่อนถ้ารักษาศีลห้าได้แล้ววันพระก็มาหัดรักษาศีลแปดเพิ่มขึ้นไป อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิพุทธธรรมสมควรแก่ธรรมคำถามจากคุณวัดขณะสวดมนต์จิตมันไปนิ่งรู้อยู่แล้วเห็นกายสวดมนต์เองและสวดถูกต้องด้วยมันเหมือนมีสติประคองคำบาลีที่สวดแต่ก็มีสมาธิจิตด้วยคือเห็นจิตแยกกับกายชัดเจนมากแบบนี้ถูกไหมครับ ก็ถูกนะถ้าเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กับการสวดมนต์เราจะเห็นผู้สวดกับร่างกายเป็นคนต่อส่วนกันก็ได้เห็นจิตเป็นผู้สวดอยู่โดยใช้ร่างกายออกเสียงแต่ตัวที่สวดจริงๆก็คือจิตอันนี้ก็จะเห็นได้แต่ก็ยังไม่ดีพอต้อง ให้จิตมันสวดจนกระทั่งจิตมันสงบมันนิ่งมันสบายมันหยุดสวดไปเองแล้วไม่ต้องทําอะไรนั่งเฉยๆมีความสุขจากการนั่งเฉยๆอันนั้นะเป็นถึงขั้นที่เราจะต้องไปต้องสวดต่อไปสวดไปจนกระทั่งไม่อยากจะสวดจะหยุดสวดแล้วนั่งเฉยๆได้นั่งดูลมหายใจหรือนั่งดูจิตไปก็ได้นั่งดูว่าตอนนี้จิตเราคิดอะไรหรือเปล่า ถ้าจิตเราไม่คิดจิตนั่งเฉยๆไม่หิวไม่อยากไม่อยากได้นู่นอยากได้นี่อยู่เฉยๆอยู่เป็นสุขได้ก็ถือว่าเราได้ผลจากการนั่งสมาธิแล้วเป้าหมายก็คือให้เราอยู่เป็นสุขกันตอนนี้เราอยู่ไม่ค่อยสุขกันฮอยู่เฉยๆไม่ค่อยได้เดี๋ยวต้องเปิดมือถือเดี๋ยวต้องเปิดตู้เย็นเดี๋ยวต้องเปิดโทรทัศน์ต้องมีอะไรให้ดูอยู่เลยถึงจะถึงจะสุขแต่เป็นสุขแบบทุกข์เพราะว่าเดี๋ยวเกิดดูไม่ได้ก็จะทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าแบบอยู่เฉยๆแล้วอยู่มีความสุขได้เนี่ยอันนี้จะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้อะไรมาให้ความสุขกับเราเราใช้ความสงบมาให้ความสุขกับเรา <c oughs> จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ทําอย่างไรเวลาเจอคนไม่ให้ประม่าคนครับเวลาผมเจอใครผมจะประม่ามากเลยครับทําหน้าทําตัวไม่ถูก แล้วบางทีแบบคนที่เราเจอเหมือนกลัวกลัวเราด้วยบางคนเดินอ้อมเราไปเราก็รู้สึกเสียใจครับเพราะอดีตผมเจอเรื่องฝังใจเพื่อนๆไม่ค่อยคบเหมือนเป็นแกะดาในห้องเลยรู้สึกประมาทตลอดครับผมพยายามหาสาเหตุแต่ก็ยังแก้ไม่ได้ครับขอบพระคุณครับก็ใจเราไม่นิ่งเราเกิดอาการประมาทขึ้นมาฉะนั้นเรเาหัดฝึกใจให้นิ่ง เวลาพบปะใครก็ถ้าประมาจ ก, ก็ให้พุโทโธพุธโทโธไปภายในใจให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธแล้วมันจะมันจะนิ่งแล้วมันจะไม่ประมาจ <Yeah. S 1> มันจะรู้เฉยๆได้จะเห็นคนจะรู้เขาเขาพบกับเขารู้ว่าพบกับเขาแต่จะไม่ไปคิดว่าเขาเป็นนู่นเป็นนี่ส่วนหนึ่งก็คือเวลาเราเห็นใครแล้วเราก็ไปปรุงแต่งว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็เลยทําให้เราเกิดอาการประมาจขึ้นมา คิดว่าเดี๋ยวเขาจะไม่พอใจเราคิดว่าเดี๋ยวเขาจะอะไรกับเราขึ้นมามันเกิดจากความคิดของเราอย่า<ม>เราอย่าไปคิดให้ให้ให้รู้เฉยเฉยรู้ว่าเราเห็นเขาพบเขาถ้ามันไม่ยอมเฉยก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายประมาเองคําถามจากคุณนิมิตเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับช่วยแนะนําวิธีเจริญสติสําหรับคารวาส ที่ยังต้องดำเนินชีวิตรวมทั้งทำงานเลี้ยงชีวิตในทางโลกอยู่ทุกวันครับก็เหมือนกันน่สติของพราหมณ์เลยของาระกันเดียวกันก็คือต้องใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคำบริกรรมพุทโธคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยถ้าเราไม่จำเป็นจะต้องคิดอย่าปล่อยให้คิดถ้าจาเป็นจะต้องคิดก็คิดได้ แต่เวลาที่เราทําอะไรไม่ต้องใช้ความคิดก็อย่าให้คิดเช่นเวลาเราอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารนี้เราไม่ต้องคิดอะไรก็อย่าปล่อยให้มันคิดให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเอหรือให้มันอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่แล้วต่อไปเราก็จะมีสติควบคุมความคิดได้ต้องการให้หยุดคิดเราก็จะหยุดคิดได้เพราะมันคิดแล้วทําให้เราประมาแค่อทำให้เราเกิดอาการมัน วันไว้ใจสัน่นก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็นิ่งคำถามจากคุณพรพิมนการแผ่เมตตาที่พระอาจารย์ได้แสดงไว้ว่าคือการให้สิ่งของแก่บุคคลต่างๆนั้นได้อานิสงส์ในชาตินี้เลยค่ะเพราะหนูประสบมา ก, กับตัวคือหนูเมตตาให้สิ่งของกับลูกและภระรยาของครอบครัวหนึ่งที่มาวัดเดียวกับหนูประจา แล้วมีเหตุว่าตัวคุณสามีก่อเรื่องในวัดหลอกลวงคนอื่นๆจนถูกตำรวจจับค่ะมีแต่คนมาถามว่าโดนไปเท่าไหร่โชคดีมากหนูไม่โดนหลอกเลยค่ะเลยมาย้อนคิดว่าเป็นเพราะหนูเมตากับลูกเมียเขาเขาเลยเมตตาไม่หลอกหนูใช่ไหมคะก็อาจจะมีส่วนจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับ ถามว่าเวลานั่งสมาธิแล้วจิตใจฟุ้งซ่านจิตไม่รวมชอบคิดออกข้างนอกบ่อยๆเราควรทําอย่างไรคะเพราะเราไม่อยู่กับพุทธโธเนี่ยเราต้องพยายามให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทโธไปต้องบังคับใจให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธมันไม่มาเองเราต้องบังคับเหมือนกับบังคับให้เราเดินไปในทางที่เราไม่อยากจะไปอย่างเงี้ยแค่ให้เดินเข้าป่าช้าเนี่ยมันไม่ยอมเดินเข้ามาเราต้องบังคับเดิน เดินเดินซ้ายขวาซ้ายขวาไปพุทโธนี้มันเป็นสิ่งที่ใจเราไม่ชอบเราต้องบังคับให้มันชอบด้วยการบังคับให้มันพุทโธพุทโธทพุทโธไปถ้าเราคอยควบคุมบังคับมันต่อไปมันก็จะง่ายมันจะชินแล้วต่อไปเราก็สามารถใช้พุทโธหยุดความคิดหยุดความประมาหยุดอาการไม่ดีต่างๆของใจเราได้คำถามครับเวลาแม่ดื่มสุรา พอจะมีวิธีห้ามแบบไหนไม่ให้ตัวเองบาปคะก็เอาสุราไปซ่อนไว้สิ <c oughs> เอาขวดสุราไปซ่อนไว้ <c oughs> คำถามจากคุณปังปอนพระอาจารย์บอกว่าต้องแผ่เมตตาต่อหน้าแล้วความเชื่อที่ว่าแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรในชาติที่แล้วเขาจะได้รับจริงๆไหมคะหรือว่าเป็นแค่กลอุบายให้ฝึกจิตเฉยเฉยเป็นกลอนอุบายเท่านั้นเองเราไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนอ่ะ ชาติที่แล้วเอาชาตินี้ดีกว่าเอาพวกที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรในปัจจุบันเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือลูกเมียสา ม, มีเรานี่ยแหละเดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, กันอยู่เรื่อยแต่ถ้าทุกคนมีความถ้าเรามีความเมตตาต่อกันมันก็จะไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องคําถามจากคุณพรหมพรมพรหมพรม นั่งสมาธิแล้วมักจะเห็นต่างๆมีครั้งหนึ่งเห็นตัวเองยกลำไส้ตัวเองถ้าไม่สนใจก็จะหายไปเองถูกต้องไหมค ะ, อ, ะอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปนั่งสมาธิอย่าปล่อยให้ใจนั่งแบบไม่มีสติควบคุมเพราะไม่มีสติก็เหมือนกับปล่อยให้เด็กเล่นเดี๋ยวเด็กก็ไปทำอะไรเสียหายได้นเวลาเราปล่อยให้เด็กอยู่คนเดียวนี่เราต้องคอยเฝ้าดูเพราะว่าเขากลาลังทาอะไรอยู่ ต้องบังคับให้เขาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแตะนั่งสมาธิเราก็ต้องควบคุมจิตให้อยู่กับพุโทโธอย่าปล่อยให้จิตไม่มีอะไรควบคุมพ อ, อไม่มีอะไรควบคุมเดี๋ยวมันจะคิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมาหลอกเราคำถามจากคุณโจงแจ้งช่วงนี้ระหว่างวันรู้สึกจิตไม่ค่อยคิดมีความสุขดีแต่เวลานั่งสมาธิทาไมสงบได้ไม่นานคะ เพราะตอนนั้นไม่ใช่สติสติมีกำลังน้อยเราก็ต้องเวลานั่งแล้วมันอยากจะลุกก็อย่าเพิ่งลุกพยายามพุโทโธพุโทโธต่อไปบังคับมันมันถึงจะอยู่ต่อได้ถ้าปล่อยมันตามอธัธยาศัยพอมันอยากจะลุกก็ลุกหนีมันก็นั่งได้แค่นั้นถ้าอยากจะนั่งให้ยาวกว่า น, นั้นเราก็ต้องบังคับให้มันพุโทโธต่อไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะนั่งต่อไปได้ยาวขึ้น คำถามจากคุณชนะตนพระอาจารย์ให้ตัดความอยากไปเรื่อยๆคือการตัดการอาศัยใช้ร่างกายไปเรื่อยๆตัดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจนจิตสามารถอยู่กับความสงบได้จะได้ไม่เกิดอีกในที่สุดใช่ไหมคะใช่แล้วต้องความอยากทางตาหูจมูกนิ้วกายมันทำให้เราต้องมีร่างกายอยู่เรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่ แล้วพอได้ร่างกายใหม่ก็มาใช้ร่างกายใหม่นี้หาความสุขต่อไปมันก็เหมือนคนติดยาเสพติดเนี่ยพอเสพยานี้หมดก็ไปหายาใหม่มาเสพต่อพอหมดก็ซื้อมาใหม่หาเสพอยู่เรื่อยๆไม่มีวันหยุดไม่มีวันหมดนะคาถามจากคุณปลาสบายตามสบา ย, าบายเราจะทราบได้อย่างไรว่าเรามีบุญติดตัวม า, มากหรือน้อยคะ อ๋อถ้าเราชอบทําบุญก็แสดงว่าเรามีบุญติดตัวมาถ้าเราไม่ชอบทําบุญก็แสดงว่าเราไม่มีบุญติดตัวมาเนี่เดี๋ไหครับอ่าเชิญตามสบายนะไม่ต้องเกรงใจมีธุราชจะไปไหนก็ไปทำทัศน์เอาเลยกันนั่งกรรมฐานแก่กรรมจิงหรือาอ๋อกำใหม่แก้ได้แต่กรรมเ ก, ก่าแก้ไม่ได้เรานั่งกรรมฐานเราก็ไม่ไปทํากรรมเนี เอาสมัติธรรมทำให้ใจนิ่งวิปัสสนาทำให้ใจฉลาดให้เห็นให้มีดวงตาเห็นธรรมต้องเห็นด้วยวิปัสสนาสมัตินี่ไม่เห็นสมัติธเห็นแต่ทำให้ใจนิ่งสงบแต่ต้องใจนิ่งสงบก่อนถึงจะใช้วิปัสสนาให้เห็นให้เห็นธรรมได้ คำถามจากคุณสุดารัตน์กราบเรียนพระอาจารย์การทำสมาธิอยู่คนเดียวที่บ้านหลายอาจารย์บอกว่าอันตรายเมื่ออยู่คนเดียวแต่โยมว่ามันมีความสุขสบายใจไม่ต้องกังวลอะไรอยากทราบว่าแบบไหนถูกเจ้าคะนั่งคนเดียวน่ะถูกแล้วแต่การนั่งคนเดียวนี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีอาจารย์เรามีอาจารย์เราต้องเรียนรู้จากอาจารย์ก่อนว่าวิธีนั่งนี้ผิดถูกทาอย่างไร แต่เวลาปฏิบัติเราต้องปฏิบัติคนเดียวถึงจะได้ผลดีแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วมีปัญหาอะไรล้วก็ไปถามอาจารย์ไปศึกษาต่อคือต้องมีอาจารย์แต่เวลาปฏิบัติไม่ต้องนั่งกับอาจารย์นั่งคนเดียวได้เวลานั่งสมาธิจิตมันชอบหลุดไปคิดอย่างอื่นพอได้สติดึงกลับมาพอเผลอก็หลุดไปอีกอยากทราบว่าบุญจะเกิดกับเราไหมคะ ตอนต้นนั่งสมาธิก็เป็นแบบนี้แหละมันเป็นชักไปเยอะกันกิเลสมันก็อยากจะดึงให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สติก็พยายามดึงให้มันหยุดคิดตอนต้นนี้สติเรามีกําลังน้อยมันก็ดึงได้บ้างหยุดมันได้บ้างพอหยุดได้ปั๊บเดี๋ยวพอหมดแรงมันก็ไปคิดใหม่พอเราตั้งสติใหม่มันก็หยุดคิดใหม่เน้นถ้าเราหัดตั้งสติเรื่อยๆพุทโธอยู่เรื่อย ๆ, ด เ, อยๆเดี๋ยวต่อไปเราก็จะหยุดคิดได้พอหยุดคิดได้ใจก็จะสงบ พอสงบก็เป็นเป็นบุญขึ้นมาเป็นความสุขขึ้นมาแต่ตอน ต, อนตอน้นตอนที่ปฏิบัติใหม่ๆยังไม่ได้ผลนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้บุญแต่เป็นการสร้างบุญเป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้ก่อนที่เราจะได้ผลมไม้เราต้องปลูกต้นไม้ก่อนถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้เราก็จะไม่ได้รับผลมไม้งนั้นตอนที่เรานั่งสมาธิแล้วล้มลุกคุกขาดนี่เป็นเหมือนกำลังช่วงที่เรากาลังปลูกต้นไม้อยู่เราก็ออกพยายาม ทำไปเรื่อยๆฝึกสติไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งพอสติมีกำลังมากกว่ากิเลสตัณหาหยุดกิเลสตัณหาได้จิตก็จะสงบขึ้นมาคือว่าหนูอยากถามว่าจริงไหมว่าพาป้องกันผีให้ค่ะพ <c oughs> าไม่ได้ป้องกันผีหรอกพาให้กำลังใจเราสู้กับผี เวลาผีมาเราก็พุทโธพุทโธไปคิดถึงพระแล้วเดี๋ยวผีก็หนีไปแล้วมันจะหนียังไงก็ผีในใจเราไงผีจริงมันก็ไม่มาหลอกเรารผีที่หลอกมันเป็นผีในใจเราเราไปคิดขึ้นมาเองพอได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงอะไรไหนก็ว่าผีแล้วเนี่ยใจเราเขาบอกว่าผีบางตัวมีจริงเลยก็มีจริงอ่ะผีจริงเขาไม่มาหลอกเราไงไอผีที่มาหลอกเราที่ทําให้เรากลัวคือผีที่อยู่ในใจเรา <agreements. S 2> แล้วจริงไหมว่าแอนนาเบลมีจริงแอนนาเบ ล, เลไม่รู้อันนี้ไม่ใครเล่นผีในหนังก็เขาบอกว่ามีจริงกันไม่ใช่หรอคะก็อันนี้หลวงพ่อไม่รู้คาถามจากคุณสันติชัยขอสอบถามพระอาจารย์ครับผมนิมนต์พระมาเทศในงานศพมีญาติผมคนหนึ่งพูดว่าเอาเด็กมาเทศสอนใครจะเชื่องานไม่ทํามาบวช ไม่ไปทํามาหากินผมได้ฟังเขาพูดแล้วรู้สึกไม่สบายใจไม่รู้ว่าเขาจะได้รับผลกรรมของคําพูดเขาหรือไม่พระทิเทศท่านอายุ40ปี2 0 0 0รป่ 20, าคนที่พูดอายุ52ปีครับก็เขาพูดแบบคนตาบอดเหมือนกับคนที่เห็นเพชรแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพชรก็เขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์เพราะเขาจะไม่เอาเพชรเพราะเขาไม่คิดว่าเป็นเพชรเขาก็จะเขียเข่ยทิ้งเขี่ยทิ้ง เหมือนไก่ได้พลอยไปได้ฟังนิทานไก่ได้พลอยไหมไก่มันก็จะหากินด้วยการขุดคุ้ยในดินหาตัวหนอนตัวไส้เดือนพอมันไปขุดเจอเพชรเข้าเจอพลอยเข้ามันก็เขียดทิ้งเขียยทิ้งไปเพราะมันไม่เห็นคุณค่าของเพชรของพลอยมันรู้แต่คุณค่าของตัวหนอนตัวไส้เดือนคนทารโอะเขาก็จะคิดอย่างนั้นเวลาเห็นคนที่เข้ามาพูดเรื่องธรรมะเขาฟังแล้วเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เข้าใจ เขาก็เห็นว่าเป็นความรู้ที่ไร้สาระไม่เกิดประโยชน์แต่คนเขาจะคิดแต่ถ้าคนมาพูดทางโลกคิดถึงวิธีหาเงินได้เร็วๆได้มากๆนี้เขาจะกลับเห็นคุณค่าของคำคำสอนของคนแบบนั้นเพราะเขาเห็นแต่ทางโลกเขาไม่เห็นทางธรรมเขาก็ไม่บาปเพียงแต่ว่าเขาตัดตัดตัดโอกาสของเขาที่เขาจะได้เรียนรู้สิ่งที่มีคุณค่ามากกว่า อ่ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่ในโลกมี้ท่านั่นเองจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับกราบนมัสการค่ะขณะสวดมนทรู้สึกว่าตนเองหลับแต่จิตก็สวดมนรับรู้ว่าสวดอย่างนี้คือเป็นอย่างไรคะก็สวดแบบหลับนะมั่งสวดแบบเคลิ้มสวดแบบเคลิ้มไม่ได้สวดแบบตื่น ถ้าสวดแบบเนือนมันก็จะรู้สึกตัวรู้สึกว่าเรากาลังสวดอยู่แล้วสวดแบบเคลิ้มันก็เหมือนกันว่าเราเคลิ้มหลับรับฝันไปว่าเราสวดก็ได้คาถามจากคุณทันการนั่งสมาธิเมื่อจิตนิ่งแล้วเราพิจารณาในสังขารตั้งแต่กายเนื้อจากปากมีน้ำเหลืองหลุดลงไปสู่พื้นจนเหลือเพียงกระดูกเห็นกระโหลก จนถึงกระดูกเท้าสุดท้ายค่อยๆสลายกลายเป็นฝุน่นเท่าสลายไปเหลือเพียงดวงจิตที่ลอยอยู่โดยปราศจากร่างกายการทำแบบนี้เป็นประจำจะช่วยให้ก้าวหน้าในการเดินปัญญาหรือไม่เจ้าคะมันก็เป็นการเดินปัญญาแต่ถ้าไม่มีสมาธิมันก็จะไม่มีกำลังที่จะใช้ปัญญาสู้กับกิเลสตอนตอนที่กิเลสไม่ออกมาเราก็ใช้ปัญญาได้ แต่พอตอนกิเลสออกมามามาเราอาจจะไม่มีกําลังสู้มันหยุดกิเลสได้ถ้ากิเลสมันบอกว่าร่างกายเรายังสวยยังงามอยู่ยังควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ความจริงร่างกายเราจะตายแล้วเราอาจจะปองไม่ได้วางไม่ได้ก็ได้เพราะถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีสติที่จะหยุดกิเลสถึงแม้จะมีปัญญาบางทีมันก็ใช้ไม่ได้ ฤกษ์ปัญญาจะไม่โผล่ขึ้นมาเวลาที่เราต้องการตอนนี้เราเราสั่งมันได้แต่เวลาที่เราอยู่ในที่เหตุการณ์ที่บีบบังคับใจเราเราอาจจะไม่มีสติที่จะดึงปัญญาออกมาก็ได้ถ้าดึงออกมาไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนเราหัดใช้มีดอะไรตอนที่ไม่มีสงขามไม่มีเหตุการณ์แต่พอเราไปเจอเหตุการณ์ขึ้นมาเราชักมีดออกมาไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไร จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับเพศบางเพศขายพวกเครื่องรางของขลังแล้วบอกว่ากรรมแต่ละคนทํามาต่างกันให้แก่ที่สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาขอขมาแล้วกรรมจะได้บางเบาอย่างนี้จะเชื่อได้หรือไม่เจ้าคะเพราะพระอาจารย์บอกกรรมแก้ไม่ได้กรรมแก้ไม่ได้หรอกมันก็ต้องส่งผลแต่ถ้าเราทาบุญมากๆนี่บุญก็อาจจะมา ทำทำหน้าที่ดึงจิตไปที่ดีก่อนก็ได้แต่บาปนี่เราไปแก้ไม่ได้อย่างองค์คุลิมานเนี่ยไปฆ่าคนถึงเก้าร้อยเก้าสิบเ้าค น, นแก้ไม่ได้แตอ่องค์ุลิมาอาศัยการมาทําบุญให้มากๆทําบุญจนสามารถทําให้จิตไปถึงนิพพานได้เมื่อถึงนิพพานได้บาปก็ไปไม่ถึงดึงดึงจิตมาเกิดมารับผลบาปไม่ได้เพราะจิตได้ไปถึงนิพพานแล้ว เพะฉบุญอกรรมเก่าเราแก้ไม่ได้แต่เราสามารถสร้างบุญใหม่หนีกรรมได้ถ้าเรามีกรรมระดับพระอริยเจ้าแล้วเราหนีอบายได้ถ้าเป็นพระโสดาบันขึ้นไปนี้จะไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ยังต้องกลับมาเกิดอยู่พระโสดาบันยังต้องกลับมาเกิดอีกเจดชาติเป็นอย่างมากถ้าขั้นที่สองก็พระสกิราคามีก็ชาติเดียวถ้าขั้นอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่จะไปเกิดบนสวรรค์ท่านพรม แต่ถ้าขั้นผ้าอาหารหันต์ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเลยไม่ต้องมารับผลบาปอีกต่อไปคำถามจากคุณสายสุดาตอนทำวัดเช้าแล้วเราสวดมนต์ผิดเป็นอะไรไหมคะก็มีบ้างการผิดพลาดแต่ถ้ารู้ว่าผิดก็ควรที่จะระมัดระวังแก้ไขเพราะว่าการทำอะไรผิดมันจะติดเป็นนิสัยได้แล้วต่อไปเราจะทำอะไรไม่ถูก เมื่อทำไม่ถูกผลที่ควรจะเกิดก็จะไม่เกิดฉะนั้นหัดทาอะไรให้มันถูกถ้ามันผิดก็พยายามแก้ไขเสียเขาถึงเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยปดีปฏิบัติชอ บ, ป ฏ, บ, ชอบปฏิบัติชอบก็ปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติอย่างถูกต้องฉะั้นเราต้องศึกษาว่าอะไรผิดอะไรถูกสิ่งที่ผิดเราก็อย่าไปทําทําแต่สิ่งที่ถูกเพราะทําผิดแล้วจะไม่ได้ผลทําถูกแล้วถึงจะได้ผล มีคำถามไหมหรือหมดพอดีอหมดก็เวลาก็หมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอนแอนนาเบลล่ามีเหรอ <c oughs> เป็นนิยายมังหนูเวนิยายนิยายก็แต่ง